คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เคนทวายและอาทิตยาปักกะทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีนะคะแล้วก็ที่ทางแฟนเพจ Facebook ด้วยค่ะวิทยุราชมงคลทัญบุรีวันนี้ดิฉันอาธิตยาปกักระานงรับหน้าที่ในการดําเนินรายการนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่ามีเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะ 40% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะใครจะเดินทางไปไหนก็ตามอย่าลืมนะคะสารวจด้วยพกร่มกันสนิดหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ใดบ้างแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวันศุกร์แบบนี้เนี่ยรถติดแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังแล้วก็เตรียมตัวกันด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหลากหลายเรื่องราวแต่ที่เป็นที่พูดถึงกันในล่าสุดนะคะก็คือกรณีเกิดเหตุเครนถล่มในย่านบางรักนะคะซึ่งมีผลทําให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนอัดสัมชัญคอนแวนย่านบางรักได้รับบาดเจ็บถึงสิคนหนึ่งในนั้นนะคะมีน้องที่มีอาการสาหัส ด, ด้วยซึ่งล่าสุดเมื่อวันนี้นะคะมีการเปิดเผยออกมาว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อ ก า, การติด เ, เรื่องเหล่านี้นะคะเมื่อเกิดเหตุเคเรนถล่มนะคะจนทําให้มีเด็กนักเรียนในโรงเรียนอัศวันคอนแวนย่านบางรักได้รับบาดเจ็บนะคะทางด้านของผู้ราชการกรุงเทพมหานครพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ออกมายอมรับนะคะว่ากรณีนี้เกิดจากความบกพร่องและไม่เคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางรักซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานโดยตรงแล้วค่ะและเมื่อสั่งย้ายแล้วนะคะก็จะ มีการย้ายกลับมาที่เดิมแน่นอนส่วนจะเอาผิดกับใครผู้ใดเพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็ต้องตามดูเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะซึ่งหากพบว่าผู้ใดกระทําผิดจะมีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดส่วนโรงเรียนอสัสว์ชันคอนเวนนั้นก็มีเมื่อวานนี้นะคะมีการหยุดเรียนไปเวลา1วันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนําสิ่งก่อสร้างที่ตกค้างอยู่ค่ะทั้งเสาเครนนั่งร้านที่เหลือนะคะออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สํานักงานโยธาเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะ ยืนยันว่าอาคารที่ก่อสร้างนี้เป็นอาคารเถื่อนค่ะและมีความผิดหลายประการเช่นไม่มีวิศวกรควบคุมขณะก่อสร้างฝา่าฝืนคำสั่งของกรุงเทพมหานครที่สั่งให้หยุดก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งได้มีการประสานงานกับสำนัก ง, งานเขตบางรักและสถานีตำรวจนครบาลบางรักนะคะให้เร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วค่ะ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังยอมรับอีกนะคะว่าในอนาคตถ้ามีการทําหนังสือขอต่อเติมหรือว่าก่อสร้างอาคารเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนั้นก็สามารถดําเนินการต่อได้นะคะแต่มั่นใจเลยว่าภายในปีนี้นะคะจะไม่มีโอกาสในการกลับมาก่อสร้างได้อีกส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมในเรื่องของการสํารวจความเรียบร้อยของการาฝาท่อทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะหลังกรณีหญิงสาวท่านหนึงค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะได้เดินตกท่อแล้วก็ทําทให้มีอาการอ่า ช้าไปทั่วร่างกายนะคะแล้วก็มีบาดแผลถลอกจากการตกท่อความสูงความลึกนะคะอยู่ที่3เมตรด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะมีการเรียกผู้มือในการเขตทุกเขตเข้ามาชี้แจงกรณีของการฝ่าท่อต่างๆทั่วกรุงกันด้วยนะคะส่วนในการจัดการกับวินรถจักรยานยนต์นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานเลยค่ะส่วนตัวเองก็ขอฝากถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เห็นใจและอย่าเอาเปรียบประชาชนที่ใช้ทางเทาด้วยนะคะยืนยันว่าหากจะ ผู้ใดบกพร่องต่อหน้าที่จะมีการจัดการขั้นเด็ดขาดส่วนทางด้านของคุณศิลปัปเสวยระวีแสงสูร น, นะคะประหลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่าตอนนี้มีการย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธาไปที่สํานัการจราจรและขนส่งนะคะซึ่งอัตราเงินเดือนแล้วก็ตําแหน่งเท่าเดิมแต่จากนี้ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าจะมีบทลงโทษตามมาหรือไม่ซึ่งหากมีความผิดนะคะก็ต้องมีการส่งเข้าคณะกรรมการวินัยก่อนค่ะ ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็ออกมายอมรับในเรื่องของความผิดพลาดแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหนังสือในการส่งไปที่ไซยก่อสร้างแล้วว่าให้หยุดก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะซึ่งทางด้านของไซยก่อสร้างเองเนี่ยก็มีการดำเนินเรียกว่าละเมิดนะคะ คำสั่งนะคะในฝั่งของวสทหรือว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบ ร, รมราชวัลธรรมบ้างนะคะเมะื่อวานนี้ก็มีการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันแล้วก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเครนก่อสร้างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครนมือ2นะคะแล้วก็ไม่มีกําหนดอายุการใช้งานด้วยค่ะคุณอเนกสริภานิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบ ร, รมราชวัลธรรมหรือวสทค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่เครนก่อสร้างในสายก่อสร้างต่อเติมของโรง แรมย่านถนนเจริญกรุงตกลงมาที่บ ร, ริเวณหลังคาที่คลุมสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนถนนเจริญกรุงซอยเจริญกรุง40นะคะจนเป็นเหตุทําให้มีนักเรียนบาดเจ็บสิรายจํานวนนี้อาการสาหัสหนึ่งรายแล้วก็ผลขิดอันตรายแล้วนะคะซึ่งทางด้านของวอสทและคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกขิ้วและปั้นจันทรไทยเองก็มีการเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วยคะ่ะเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินความเสียหายเป็นตัวเลขได้นะคะ ด้วยขณะนี้ค่ะประเทศไทยเองมีการพัฒนาระบบการคมานาคมขนส่งต่อเนื่องจึงทําให้มีการก่อสร้างอาคารสูงที่อยู่อาศัยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆและมีการนําเครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะคะอาทิปั้นจันทร์หรือว่าเครนมาใช้เป็นเครื่องทุนแรงและก็อำนวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยโดยเฉพาะภาคธุรกิจการก่อสร้างอาคารสูงค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะคุณอนเนกบอกว่ามีผู้ประกอบการให้เช่าและตัวแทนจําหน่ายปั้นจันรกว่า2 รายยด้วกันและมีการใช้งานเคนรน ท, ทุกประเทศแล้วนะคะกว่า 1,500 เครื่องซึ่งผู้ประกอบการมักนิยมเช่าใช้งานมากกว่าซื้อขาดค่ะเนื่องมาจากว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่าส่วนการซื้อขาดนะคะก็มักจะพบในผู้ประกอบการที่มีโครงการขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะมีการเกิดอุบัติเหตุจากเครนไปแล้วกว่า20ครั้งซึ่งส่งผลกระทบนะคะในด้านของความปลอดภัยของประชาชนและผู้สัญจรรวมทั้งเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สิสน ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวนี้นะคะก็ยังคงมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณกิจกรรมของการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างเช่นการก่อสร้างคอนโดมิเนียมรือไปถึงโครงการขนาดใหญ่รูปแบบต่างๆซึ่งทำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและหลักความปลอดภัยค่ะอย่างเช่น ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครห้ามส่วนหนึ่งส่วนใดของเครนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างต้องมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครนและควรมีการแจ้งเพื่อติดตั้งเครนซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการลงนามกำกับและผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือเจ้าของอาคารต้องทำประกันภัยบุคคลที่3ด้วยค่ะ คุณเนกบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีนะคะเรื่องของกฎหมายในการควบคุมงานลนักษณะแบบนี้ออกมาแล้วนะคะแต่ว่ากฎข้อบังคับนั้นยังไม่ชัดเจนค่ะก็ทําให้มีการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้นซึ่งได้เสนอร่างกฎหมายเข้าไปแล้วนะคะขณะนี้คาดว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยค่ะ ในด้านความเห็นนะคะของคุณหาฤทธิ์ศีนุ ก, กูลนะคะคณะอนุกรรมการยกคิ้วและปั้นจันทไทยบอกว่าเครนที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นมีหลายรูปแบบและเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่10ล้านบาทถึงยีล้านบาทตามมาตรฐานและขนาดของเครนขณะนี้นะคะพบว่าเครนที่ใช้ในการก่อสร้างของไทยนั้นเป็นเครนที่มีการใช้งานมาแล้วและเชื่อว่าเกินครึ่งเป็นเครนมือ2ค่ะเนื่องจากมีราคาสูงผู้ประกอบการเองก็เลยนิยมเช่าใช้งานแทนการซื้อขาดซึ่งกฎหมา ของไทยนะคะก็ยังไม่มีการกําหนดอายุการใช้งานของเครนแต่ต่างประเทศนะคะมีการกําหนดแล้วค่ะอย่างที่สหรัฐอเมริกานะคะกําหนดให้ใช้งานได้25ปีสิงคโปร์15ปีซึ่งหากเกินแล้วเนี่ยสามารถยื่นให้ตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุการใช้งานเครนต่อได้นะคะส่วนประเทศไทยนั้นเรายังไม่มีข้อห้ามในส่วนนี้ค่ะแต่หากจะนําเครนมาใช้ในงานก่อสร้างโครงการต่างๆก็ต้องกําหนดให้ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาตรวจสอบสภาพเครนก่อน ตติตั้งและหลังติดตั้งแล้วเสร็จรวมถึงต้องมีการตรวจสอบเครนที่ใช้ในงานพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ3เดือนด้วยการประเมินเบื้องต้นตอนนี้นะคะคุณหาริทบอกว่าเครนที่เสียหายนั้นน่าจะมีมูลค่าประมาณ2ล้านบาทเนื่องจากขนาดไม่ใหญ่มากนักและสาเหตุที่ก่อให้เกิดประเหตุน่าจะมาจากตัวบุคคลและการใช้งานที่ผิดวิธีมากกว่านะคะเพราะสามารถตรวจสอบจากภาพรวมของเครนที่บ่งบอกการใช้งานได้ปกติแล้วค่ะบุคลากรที่จะเข้ามาขับเครนต้องมีการอบรมทางภาคทฤษฎีแล้วก็ ซึ่งต้องมีความรู้ในการใช้งานระดับหนึ่งรวมทั้งต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการขับเคลนด้วยนะคะแต่ก็พบว่ามีการขับเคลนทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตค่ะซึ่งระยะหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้เริ่มดีขึ้นแต่ว่าในต่างจังหวัดนะคะพบว่ายังมีคนที่ฝ่าฝืนเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้บุคคลที่เข้ามาทํางานในด้านนี้นั้นต้องมีความรับผิดชอบและทํางานอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นนะคะพร้อมกับต้องมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกเดือนเพื่อให พร้อมในการใช้งานจริงๆเพราะเข้าใจว่าถ้าหากมีการกำหนดอายุการใช้งานเครนเนี่ยก็จะกระทบต่อผู้ประกอบการที่จะต้องซื้อเครนใหม่เนื่องมาจากว่าเครนมีราคาสูงก็เลยมีการลักไก่เข้ามาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและคนขับคนขับใช้งานเครนเองอบังคับเครนเองเนี่ยนะคะก็ไม่มีใบอนุญาตเช่นเดียวกันค่ะ ก็เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นนะในเรื่องของกรณีที่เครนถล่มนะคะเป็นเหตุให้น้องนักเรียนโรงเรียนอัสัมชัญคอนแวนบาดเจ็บถึง10รายด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะไปกันที่การควบคุมนะะเกี่ยวกับการหิ้วถือ อาหารนะคะซึ่งเป็นของเหลวขึ้นบนเครื่องบินนะคะล่าสุดค่ะสำนัก ง, งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเองหรือว่ากพทนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวของการดูแลคุมเข้มแกงแหนมเนืองน้ำพริกนะคะถ้าหากมีปริมาณเกิน100มิลลิตรห้ามถือขึ้นเครื่องบินค่ะ รายงานข่าวจากสำนัก ง, งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทนะค ะ, ปะเปิดเผยถึงกรณีข้อห้ามการถืออาหารที่มีส่วนประกอบเป็นของเหลวค่ะอย่างเช่นแกงต่างๆที่มีปริมาตรเกิน100มลลิตรนะคะขึ้นภายในห้องโดยสารเครื่องบินซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสนามบินต่างๆเองก็พบปัญหาการถกเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่สนามบินผู้โดยสารในบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารโดยตลอดเพราะบางอย่างเนี่ยเอาขึ้นได้บางอย่างก็เอาขึ้นไม่ได้นะคะทางนี้ค่ะที่ผ่านมาเองก็มีการอนุโลม ข้างบ่อยครั้งซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วนะคะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นดังนั้นนะคะตอนนี้เองทางสนามบินก็ขอให้กปทออกประกาศใหม่ระบุชัดเจนไปเลยค่ะว่าของเหลวนั้นหมายรวมถึงอะไรกันบ้างนะคะซึ่งคุณอัมพวานวรรณโกอดิบดีกรมท่าอากาศยานบอกว่ากรมท่าอากาศยานเองได้ทําการประชุมซักซ้อมสนามบินภูมิภาคในการกํากับดูแลความเรียบร้อยนะคะ28สนามบินปฏิบัติงานด้านการบินให้เป็นไปตามกฎ ของกอปทอในเรื่องของหลักเกณฑ์การตจดค้นของเหลวเจลสเปรย์ที่จะนําขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนําเข้าไปในเขตห่วงห้ามของสนามบินสาธารณะพฤษภากราร้อยหค่ะซึ่งนี่นะคะถือเป็นระเบียบใหม่ของกอปทอและก็เตรียมประกาศใช้นะคะ23มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยมีการกําหนดนะคะห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนําของเหลวที่มีปริมาตร ม, มากกว่า100มลลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่องบินแต่อนุญาตให้ฝ่าเป็นสำหร ะ, ระลงทะเบียนโหลดใต้ท้อง เรื่องเท่านั้นให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิดค่ะทั้งนี้นะคะสินค้าบางประเภทที่เข้าขายว่าไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็มีแหนมเนืองนะคะเพราะว่าวัดกันที่ปริมาตรของน้ำจิ้มนะคะที่บรรจุรวมในชุดอาหารเนี่ยหถุงนะปริมาตรเนี่ยนะคะมีการวัดอยู่ที่ประมาณ400มลลซึ่งนี่แหละค่ะถือว่าเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะคะก็จะทําให้ไม่สามารถนําแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารของเครื่องบินได้เบื้องต้นค่ะก็ได้ขอให้สนามบินกล่มท่ากัสยาน ทาง28แห่งนะคะแจ้งข้อมูลไปยังสายการบินต่างๆให้ทําความเข้าใจแลว้วก็แจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนืองต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนเท่านั้นโดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิดเพราะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินนะคะสําหรับคําจํากัดความในเรื่องของหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลวเจลสเปย์ที่จะนําขึ้นบนห้องโดยสารอากาศายานหรือว่านําเข้าไปในเขตห่วงห้ามของสนามบินสาธารณะพุทธศักราช2562ค่ะก็จะมีการรวมไปถึง อาหารจำพวกของเหลวนะคะอย่างเช่นต้มแกงน้ำพริกน้ำจิ้มต่างๆเครื่องดื่มนะคะซุปน้ำเชื่อมแยมสตูสตูน้ำพริกหรืออาหารที่อยู่ในซอสนะคะรวมไปถึงมาสคาร่าลิปติกหรือว่าลิปบาล์มซึ่งมีปริมาตรมากกว่า100มลลิตรหรือไม่มีปริมาตรระบุแบบนี้จะไม่สามารถนําขึ้นเครื่องบินนะคะในห้องโดยสารได้นะคะก็จะเริ่มใช้ประกาศแบบนี้นะคะเข้มข้นแน่นอน23่ิบมิถุนายนนี้ค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวของกรมการขนส่งทางบกนะคะตอนนี้มีแนวคิดที่จะทํา QR code ติดเสื้อวิน motorcycle ค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเป็นวิน motorcycle ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะเราไปถึงเรื่องราวของปอทอตอนนี้มีการเรียกตัวนะคะหญิงสาวท่านหนึ่งค่ะโพสต์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าทํากระเป๋าหายแต่ว่ามีกรรมกรก่อสร้างคืนกระเป๋าให้ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นการเล่าข้อมูลเท็จ นะคะก็จะเรียกตัวมาพบเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ช่วงหน้าค่ะ จะคงไว้ชั่วการตลอดไปจนนิรันดร์ขอให้เธอเชื่อในความรักไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนไปรักของเราอยู่ในลมหายใจไม่มีใครจะมาปรากมันไปได้เลยแม้ว่ามันจะ ใจฉันจะมีแต่เธอสัญญาใจดวงนี้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาปรารถนาเธอเพียงผู้เดียวแม้ว่ามันจะเหมือนเต่าใดหัวใจไอจะมีแต่น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 ภัยเข้ามาปรารถนาน้องเพียงคู่เดียวขอตัวเจอในความหักบอต้องกลัวจะเปลี่ยนไปหักของเฮาอยู่ในลมหายใจบอมีภัยจะมาปัดมันไปได้เลยบอมีภัย เมาปัดคักเขาใจ กลับเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะคะกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะเรื่องราวของกรมการขนส่งทางบกตอนนี้เตรียมทำ QR code ติดเสื้อวิน m o ต o r c y c l นะคะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องทั้งคนขับขี่และผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นต้องมีข้อมูลตรงกันค่ะ ท่านั้นของคุณจันทิราบุรุษพัฒรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าสำหรับประเด็นที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์นะคะในเส้นทางตรอกซอกซอยหรือว่าพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากส่งผลให้มีผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างมากขึ้นยากต่อการควบคุมและจัดระเบียบขณะที่ประชาชนนั้นก็มีความต้องการระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการไปสํารวจหรือว่า จัดระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆทดแทนค่ะ ยังก็ตามแล้วนะคะจะจัดระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆอย่างรถโดยสารมินิบัส2แถวเข้าไปในระบบนะคะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าปัญหาการจราจรติดขัดนั้นเป็นปัจจัยสําคัญค่ะทําให้การบริหารการบริการจักรยานยนต์รับจ้างนั้นเกิดขึ้นส่วนการ จ, จัดระบบรถขนส่งสาธารณะเพิ่มเติมนั้นก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยเพราะอาจจะส่งผลกระทบเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้นได้นะคะซึ่งคุณจติราก็พูดถึงทิศทางว่ากรมการส่งทางบกเองก็มีแนวคิด ที่จะทําระบบให้ประชาชนนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ประกอบการอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนื่องจากปัจจุบันนะคะกรุงเทพมหานาครและก็ปริมณฑลมีวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากกว่า 5,500 วินและมีผู้ขับรถประกอบอาชีพเกือบ2อ0 0 0นคนกําลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นอาจจะไม่เพียงพอนะคะดังนั้นก็เลยมีแนวคิดค่ะจะริเริ่มโครงการนําระบบไอทีมาช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบค่ะโดยทําระบบ QR วอารคติดกับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกน ตรวจสอบและทราบข้อมูลเพื่อให้ผู้ขับรถจริงกับหมายเลขเสื้อที่รับอนุญาตตรงตามที่ภาครัฐจัดระเบียบควบคุม ผู้ขับรถแตระวินนะฮะที่มีการเคลื่อนทะเบียนไปแล้วนะคะซึ่งถ้าหากตรวจสอบแล้วปุ๊บพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยนะฮะสามารถร้องเรียนได้เลยค่ะสายด่วน1584นะคะเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ ก, ม ก, มกมรมการส่งทางบกเข้าไปตรวจสอบได้โดยระบบ QR code นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอนาคตอาจจะมีการขยายผลในระบบรถแท็กซี่สาธารณะแล้วก็มีการติดตั้งภายในรถก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะฮะจะติดตั้งที่วินมอเตอร์ไซค์ก่อนนะฮะต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอีกเรื่องหนึงค่ะมากันที่ปอท บ้างนะคะหรือว่ากองประคับการปราบปรามการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะมีการเรียกตัวหญิงสาวท่านหนึ่งซึ่งมีการโพส Facebook นะคะอ้างว่าตัวเองเนี่ยทำกระเป๋าหรูหายค่ะแต่กรรมกรก่อสร้างชื่อว่านายน่วยนะกะมาคืนกระเป๋าให้ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะเพราว่านี่เป็นการเล่าข้อมูลเท็จค่ะ พันธุตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรากกร ะ, ระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปออทอในฐนานะโฆษกของปออทอเองนะคะชี้แจงกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะได้โพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็อ้างว่าเธอทํากระเป๋าหรูหายนะคะแล้วหน่วยซึ่งเป็นกำลังก่อสร้างเก็บกระเป๋าที่หายได้และส่งคืนให้เธอโดยโพสต์เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่เธอทํากระเป๋าแบรนด์หรูหลงหล่นหายนะคะปรากฏว่ามี คนเก็บไว้ให้แล้วก็ส่งคืนมาทางไปรษณีย์ค่ะโดยของข้างในกระเป๋าอยู่ครบขาดแค่เงินเพียง200บาทเท่านั้นที่หายไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สังคมออนไลน์บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จริงหรือไม่นะคะเพราะคนโพสต์นี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งอาจมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงก็ได้และล่าสุดบัญชี Facebook ของหญิงสาวท่านนี้ก็ได้ปิดตัวไปแล้วค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชา ช, ชนแล้วก็อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะคะสร้างความสับสนในสังคมโดยทางด้านของพลตารวจตรีภัยบุญ พบกกปทก็มีการสั่งการนะคะให้พันธรรถเอกขวัญชัยพัทรักษ์ ทางด้านของหน่วยสืบสวนสอบสวนนะคะไปสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวค่ะทราบเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงนะคะก็มีการมอบหมายให้พนัก ง, งานสอบสวนออกหมายเรียกยิงสาวเจ้าของโพสต์กระเป๋าหายให้พบพนัก ง, งานสอบสวนสัปดาห์หน้านะคะเพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามประบอกคอมพิวเตอร์ปี2560มาตรา14ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังขอฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะที่นําข้อมูลเป็นเท็จเข้าสระบบคอมพิวเตอร์มีเจตนาทุจริตแล้วก็อาจเกิดความเสียหายให้กับประชาชนมุ่งหวังผลบางประการนะคะทางเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าความสนุกคึกขนองอาจเข้าข่ายความผิดที่ถูกดําเนินคดีตามฐานความผิดดังกล่าวได้ค่ะซึ่งจะมาอ้างทีหลังว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะไม่รู้กฎหมายนี้คงไม่ได้แล้วนะคะเพราะกฎหมายมีการบัญญัติไว้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะอ้างว่าคุณรู้เท่าไม่ถึงการได้อีกต่อไปแล้ว ทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องราวนะคะทางสถาบันวิจัยดารศาศาสตร์แห่งชาตินะคะก็มีการออกมาพูดถึงในวันนี้ค่ะคุ้มฟังคะ21มิถุนายน2562นะคะเป็นวันที่เรียกกันว่าวันคริสตัยั น, นะคะกลางวันยาวที่สุดและกลางคืนสั้นที่สุดในรอบปีค่ะซึ่งถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ค่ะ หัวหน้า ง, งานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสอดอรอคุณสุภฤกคฤริรานนท์นะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้21มิถุนายน2562นะคะเป็นวันคริสต์มายันเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีซึ่งหมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุดหรือจุดสุดทางเหนือค่ะแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งที่ต่างกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละหนึ่งองศาค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆ และหยุดที่จุดเหนือสุดในวันนี้นะคะจากนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนลงมาทางใต้ทําให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางเหนือมากที่สุดและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางเหนือมากที่สุดค่ะจึงมีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีซึ่งนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูดร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤ ด, ดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้สำหรับประเทศไทยเองนะคะวันดังกล่าวนี้ก็คือวันนี้เนี่นะคะดวงอาทิตย์ค่ะจะขึ้นในเวลาประมาณ5นาฬิกา51นาทีนะคะ และตกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ18นา47นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า12ชั่วโมง56นาทีซึ่งเป็นเวลาที่วัดณกรุงเทพมหานคร น, นะคะทั้งนี้ค่ะคูณฝั่งคันใน1ปีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโลกจึงมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันช่วงใกล้ที่สุดนะคะก็คือประมาณต้นเดือนมกราคม147ล้านกิโลเมตรและช่วงไกลที่สุดนะคะก็ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะคะระยะห่างเฉลี่ย อยู่ที่152ล้านกิโลเมตรค่ะเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะทางใกล้ไกลในการโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ก็ถือเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากไม่มีผลต่อการเกิดฤดูกาลแต่อย่างใดนะคะแต่การที่แกนหมุนของโลกเอียงทำมุมยี่ามุดห้าองศากับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์พื้นที่ต่างๆทั่วโลกก็เลยรับแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะส่งผลให้มีอุณหภูมิที่ต่างกันรวมถึงมีระยะเวลากลางวันและกล็ละกลางคืนต่างกันด้วยนะ น, ะะนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกก็จะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนนะคะเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วแล้วก็ตกช้าส่วนในฤดูหนาวค่ะเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าแล้วก็ตกเร็วค่ะใครสนใจก็ลองนับดูนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่มีกลางวันยาวที่สุดนะ12ชั่วโมง56นาทีเลยค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาพูดคุยและนําเสนอการในวันนี้กับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะกลัวฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะในทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบรุรีแล้วก็ที่ทางแฟนเพ Facebook ด, ด้วยนะคะวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงเรื่องราวหรือว่ารายการต่างๆที่อยากจะให้คุณคุณอยากจะให้เรานําเสนอสาระน่ารู้อะไรบ้างนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะส่วนในวันนี้ค่ะดิฉัน ทิตยาปกรทานังลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University วิทยุราชมงคลทัญบุ Make รี FM 8ป5 m ิบเุเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต